จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2548ตรงกับวันจันทร์แรง8ค่ำเดือน6เป็นวันพระวันธรรมสวนณะวันฝังธรรม และเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระอรหันต์สาัมมาสาัมพุทธเจ้าที่พวกเราให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งถ้าย้อนเวลากลับไป 2,548 ปีวันนี้ก็เป็นวันที่8หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จ ดับขันธะปรินิพานมีการเก็บพระศพไว้เจดวันเจดคืนเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสเคารพได้มาแสดงความคารพกราบว่า้บูชาเป็นครั้งสุดท้ายพอวันที่8คือวันแรง8ดค่ำเดือนหกก็มีพิธีถวายพระเพลิงศพ ข, <c oughs> ของพระพุทธเจ้า ก่อนหน้านั้นก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานทรงได้ประทานพระปฏิบัโอวาทให้กับสาธุชนพุทธบอยรสัตว์ทั้งหลายไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงทรงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด น, นี่เป็นคำพูดคา คำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าตอนที่จะทรงเสด็จดับขันธปริญิาานพวกเรา <c oughs> ที่มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอก็เพราะโอวาทอันนี้แหละที่ทรงมอบไว้ให้กับเราเพื่อให้เรามีเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจไม่ให้พังเผลอไม่ให้ลืมว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเกิดขึ้นแล้วต้องมีความแก่มีความเจ็บ <c oughs> และมีความตายไปนี้ที่สุดจึงไม่ควรที่จะปล่อยเวลาอันมีค่าของมนุษนี้ให้ผ่านไปโดยไม่ทำประโยชน์ที่มนุษย์สามารถจะทำได้ <c oughs> ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์หรือของสัตว์ทั้งหลายนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ประโยชน์ของจิตใจนั่นเอง เพราะจิตใจนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีถ้าใจไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ดีตามไปด้วยถ้าใจดีแล้วความคิดก็ดีการพูดก็ดีการกระทําก็ดี ถ้าใจไม่ดีความคิดก็ไม่ดีการพูดก็ไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีเมื่อพูดไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีพูดไม่ดีกระทำไม่ดีผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะตามมาถ้าคิดดีพูดดีทำดีผลก็คือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจก็จะเป็นสิ่งที่ตามมา ดังนั้นพุทธพุทธศาสนาจึงพุ่งเป้าไปที่ใจเป็นหลักสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงพัฒนาจิตใจของตนให้จิตให้กลายเป็นจิตใจ ท, ที่ดีที่ประเสริฐเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจิตใจจะดีได้ก็เพราะคุณธรรมจิตใจที่ที่ไม่ดีก็เพราะกิเลสตัณหา มีอวิชชาความไม่รู้มีโมหะความหลงเป็นเครื่องคอยผลักดันสิ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาได้ก็คือคุณธรรมความดีงามทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญมาแล้วได้นำมาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกไว้มาเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจ เป็นเครื่องชำระซักฟอกจิตใจให้สะอาดหมดจดธรรมที่มีความสาคัญต่อการซักฟอกจิตใจนี้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าภาวนาการบำเพ็ญภาวนาเป็นการทำให้จิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุขทำให้จิตใจมีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตามสภาพความเป็นจริงนี่คือคุณธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจทําให้จิตใจเป็นจิตใจที่ดีทําให้จิตใจเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผลจนและการประกอบการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีธรรมะคุณธรรมองค์ประกอบที่สําคัญอีกองค์หนึ่งเรียกว่าสติ อย่าบำเพ็ญสมถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบก็ดีหรือการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของธรรมชาติทั้งหลายก็ดีต้องมีสติเป็นผู้นำไปการการภาวนาจะไม่เป็นการภาวนาถ้าไม่มีสติเป็นผู้คอยนำไป เพราะเหตุใดเพราะถ้าภาวนาไม่มีสติแล้วใจจะไม่อยู่กับงานที่ควรที่จะอยู่ใจจะลอยไปลอยมาคิดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ดีถ้าจิตใจไม่มีสติไว้คอยควบคุมให้อยู่กับปัจจุบัน ให้อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ให้อยู่กับองค์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ตามหรือการกาหนดรู้ดูลมหายใจเข้าออกก็ตามถ้าไม่มีสติแล้วการภาวนาก็จะไม่เกิดผลคือจิตจะไม่หยุดนิ่งจุดจิตจะไม่สงบถ้ามีสติแล้วเท่านั้นแหละ การภาวนาถึงจะเป็นผลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเจริญพุทธานุสติก็ต้องมีสติพุทธานุสติแสดงว่าต้องมีสติอยู่กับพุทโธนั่นเองถ้าอ า, านาปณะสติก็หมายถึงต้องมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ไปรู้เรื่องอื่นเรื่องต่างๆนานา ของคนนั้นก็นดีของเราก็ดีของอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดีของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นก็นดีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จิตไม่ต้องรู้ไม่ควรไปรู้จิตควรจะรู้อยู่กับเรื่องที่เรากำหนดให้จิตรู้ถ้าเราจเจริญพุทธานุสติคือกำหนดบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจ ก็ให้มีสติแล้วลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างต่อเนื่องอย่าให้จิตแวบออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้ามีสติจะรู้ทันทีเวลาจิตแวบออกไปถ้ามีสติเมื่อจิตแวบออกไปก็สามารถดึงกลับมาได้ ท, ทันทีเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธอยู่ไปในใจแล้วก็แวบออกไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ มีสติปั๊บก็รู้ว่าไม่ได้อยู่กับพุโทโธแล้วก็ดึงกลับมาหาพุโทโธใหม่ดึงกลับมาพุโทโธพุธโทโธไปในใจถ้าไม่มีสติแล้วก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปควบคู่ไปกับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธคือปากหรือใจก็บริกรรมพุโทโธไปแต่ใจอีกใจหนึ่งก็ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นการกระทำแบบนี้แสดงว่าเผลอสติ เมื่อไม่มีสติแล้วการบริกรรมสมถาภาวนาก็จะไม่เกิดผลคือจิตจะไม่รวมลงสู่ความสงบที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิหรือคณิกาสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นนั่งไปภาวนาไปเป็นเวลาหลายหลายนาทีหลายชั่วโมงก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านไม่มีความสงบถ้าขาดสติดังนั้น สิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราต้องการความเจริญก้าวหน้าในด้านจิตตภาวนาก็คือการเจริญสติอยู่อย่างสม่าเสมอสตินี้เราควรเจริญได้ตลอดเวลาคือไม่ใช่เพียงแต่ในขณะที่เราจะมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมภาวนาเท่านั้น สตินี้เราสามารถเจริญได้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราควรที่จะมีสติรู้อยู่กับการกระทำนั้นๆเวลาเราเดินก็รู้ว่าเรากาลังเดินอยู่เวลายืนก็รู้ว่ากาลังยืนอยู่เวลานั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งเวลานอน ก็รู้ว่ากำลังนอนเวลารับประทานอาหารก็รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารเวลาเขียนหนังสือก็รู้ว่ากำลังเขียนหนังสือเวลาอ่านหนังสือก็ให้รู้อยู่กับการอ่านหนังสือเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมนี่คือลักษณะของการมีสติ คือจิตของเราต้องอยู่ในปัจจุบันเสมออยู่กับตัวของเราถ้าเรามีสติอยู่กับตัวของเราเราเรียกว่ามีกายกตาสติคือมีสติอยู่กับกายกายนี้เป็นเครื่องผูกใจเป็นเครื่องสร้างสติให้เกิดขึ้นได้อาศัยร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเป็นเสาไว้ผูกจิตจิตนี้ถ้าเปลี่ยงเหมือนกับลิงตัวหนึ่ง ถ้าไม่มีเชือกผูกคอไว้แล้วเอามามัดไว้กับเสาลิงมันจะไม่อยู่กับที่มันจะต้องไปเรื่อยเปลยตามภาษาของลิงเพราะธรรมชาติของลิงมันไม่อยู่เฉยๆธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมก็เป็นแบบเดียวกันจะไม่อยู่ในัจจนปัจจุบันจะไม่อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้จะอยู่ได้ก็เพียงแวบเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้ว ไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างแล้ว เ, เดี๋ยวก็กลับมาปัจจุบันแล้วก็ไปอีกไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเๆไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อไม่เคยหยุดนิ่งจิตก็จะไม่สงบเมื่อไม่สงบก็จะไม่เคยจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เลิศวิเศษยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่ สิ่งต่างๆในโลกนี้จะสามารถมอบให้กับพวกเราได้ <c oughs> เมื่อเราไม่เคยสัมผัสกับความสุขอันเลิศอันวิเศษเราจึงต้องหลงไปหาความสุขจากภายนอกแต่เราไม่รู้หรอกว่าความสุขภายนอกนั้นเป็นความสุขที่มีความคุกมีความทุกคลุกเคล้าอยู่ซ่อนเล้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากอะไรก็ตามจะต้องมีความทุกข์ปนอยู่ด้วย ไม่ช้าก็เร็วความทุกข์เหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราได้น้อมเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับตัวเราด้วยการฝึกตั้งสติเอาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแล้วก่อนจะลุกไปทำอะไรก็ตั้งสติก่อน เอาจิตนี้ประกบไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะที่ลุกก็รู้ว่ากำลังลุกอยู่เมื่อลุกแล้วก็รู้ว่าลุกแล้วเมื่อเริ่มก้าวเดินไปทำอะไรก็ให้รู้อยู่ว่าการก้าวเดินจะไปเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาแปลงฟันก็ให้มีสติให้รู้อยู่กับการงานที่กระทำอยู่ในขณะนั้นน น, นี่คือลักษณะของการฝุกสติ พอเราฝึกสติแบบนี้แล้วต่อไปใจของเราจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้มันจะไม่แว บ, บไปไปที่นูน่นไปที่นี่ใจของเรานี้ถ้าไม่มีสติแล้วเราควบคุมมันไม่ได้เวลามันจะไปทำอะไรสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็ระหยุดมันไม่ได้ ชีวิตของคนเราทุกวันนี้ที่มีปัญหามีเรื่องราวเดือดร้อนกันส่วนใหญ่ก็เพราะเราขาดสตินั่นเองเวลาจิตคิดจะไปทำอะไรม่ดีม่ร้ายก็ไม่มีกำลังที่จะดึงมันไว้จะหยุดมันไว้อยากจะปเป็นเสพสุรายาเมาก็หยุดมันไม่ได้อยากจะไปเล่นการพนันก็หยุดมันไม่ได้อยากจะไปเที่ยวเตรก็หยุดมันไม่ได้เพราะไม่มีเบรก เป็นเครื่องหยุดใจนั่นเองถ้ามีสติแล้วเราจะมีเบรกเพราะสตินี่แหละคือเบรกใจเป็นสิ่งที่สามารถหยุดใจของเราได้เวลาที่ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้เราอาจจะอาศัยพุทโธเป็นเครื่องช่วยเบรกด้วยเช่นเราคิดว่าอยากจะไปทำไรไม่ดีไม่ร้ายผิดศีลผิดธรรมเราก็ เบรกด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจให้จิตอยู่กับการบริกรรมไปเรื่อยๆไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวความคิดที่อยากจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายนั้นก็จะหายไปจากใจเมื่อหายไปจากใจแล้วจิตก็ไม่ได้มีความอยากที่จะไปทำตามสิ่งนั้นๆอีกต่อไปแล้วยิ่งถ้าเราสามารถควบคุมจิต ให้สงบให้นิ่งได้ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆได้แม้จะเป็นชั่วสักระยะหนึ่งก็เป็นการพักผ่อนของจิตใจเป็นการให้ความสุขกับจิตใจเมื่อจิตใจมีความสุขแบบที่เกิดจากความสงบแล้วจิตก็จะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอไม่คิดไม่หิวไม่อยากกับเรื่องราวต่างๆแล้วจิตก็จะเริ่มค่อยเกิดปัญญาขึ้นมา เริ่มเห็นแล้วว่าความหลงคือความไม่สงบของจิตใจทำให้ความหลงนั้นสามารถทำงานได้เมื่อจิตไม่สงบจิตก็จะมีความรู้สึกหิวมีความอยากต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้และเมื่อไม่มีปัญญาคอยสอนว่าสิ่งไหนเป็นคุณสิ่งไหนเป็นโทษก็จะถูกความหลงหลอกให้วิ่งไปหา สิ่งที่เป็นโทษทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่มีความทุกข์ซ่อนเล่นอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นพอเราทุกวันนี้ที่ร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางทวารทั้งห้านี้ ทั้งนั้นที่ทำให้เราต้องเศร้าสูกเสียใจร้องหอม่มร้องไห้กันแต่เราไม่มีปัญญาเวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรที่ถูก อ, อกถูกใจเราก็อยากจะได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเรานี่คืออำนาจของความหลงมันหลอกพาให้เราออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้แบบไม่รู้จักจบจากสิ้น ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่ถ้าเราได้มาวัดได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยเพียงแต่ว่าเราต้องปลุกความสุขนี้ให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ขณะนี้ความสุขที่มีอยู่ในใจของเราเนี้น คืกกิเลสอวิชชาตันหามันปกปิดไว้มันกดไว้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเราจึงต้องอาศัยการภาวนาสมถภาวนาเป็นเครื่องทําให้จิตใจนั้นสงบโดยอาศัยการเจริญสติอยู่อย่างสม่าเสมอญหาที่เราไม่ได้ภาวนาเราไม่แน่นั่งทาสมาธิหรือไม่ได้เดินจงกรม เราก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทําอะไรอยู่ที่ไหนขอให้สติขอให้จิตอยู่กับร่างกายเสมออย่าไปอยู่ที่อื่นเช่นขณะนี้เรานั่งอยู่ในศาลานี้เรากําลังฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้จิตอยู่กับ ก, บการฟังเทศฟังธรรมอย่าไปคิดถึงเรื่องที่จะไปทําต่อไป หรือเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาหรือนั่งอยู่ก็ไม่ควรที่จะคุยกันควรที่จะตั้งสติอยู่กับการฟังโดยถ่ายเดียวพ่อแับไปคุยกันก็แสดงว่าเผลอแล้วไม่ได้ฟังแล้วก็จะไม่ได้ยินในส่วนที่เราเผลอไปการฟังก็จะไม่ติดต่อกันประโยชน์ที่จะได้รับก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อย พอฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจนั่นเองเพราะฟังแบบขาดขาดเกินๆปฏิติประต่ะตอกันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวกันไม่ได้ฟังก็เลยจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร <c oughs> แต่แต่ถ้าแต่ถ้าตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเราจะมีสติพอเวลาเราไปนั่งทำสมาธิเรื่องเบื้องต้นเราอาจจะสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้ ถ้าเรารู้สึกว่าจิตไม่ยอมอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือไม่สามารถอยู่กับการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกได้ก็สวดมนต์ไปภายในใจก่อนเป็นการภาวนาไปด้วยการสวดมนต์สวดไปสักระยะหนึ่งจนรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดนิ่งดูเฉยๆดูซิว่าจิตจะนิ่งไหมจิตจะยังจะแวบไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า ถ้ายังแวบไปอยู่ก็ให้ลองบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราชอบบริกรรมพุโทโธถ้าเราไม่ชอบบริกรรมพุโทโธก็ลองกำหนดดูลมหายใจเข้าออกโดยกำหนดให้จิตรู้อยู่ที่จุดจุดที่ลมสัมผัสในขณะเข้าไปหรือออกมาส่วนใหญ่ก็อยู่แถวปลายจมูกหรือบริเวณริศฝีปากขึ้นมา ก็ให้กำหนดรู้อยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมา mm. เหมือนกับคนที่เฝ้าประตูเขาดูคนเข้าดูคนออกเขาก็ดูตรงที่ประตูนั้นคนจะเข้ามากี่คนก็ต้องผ่านประตูนั้นคนจะออกไปกี่คนก็ต้องผ่านที่ตรงประตูนั้นถ้าตามคนเข้าตามคนออกเดี๋ยวก็จะนับไม่ได้เดี๋ยวก็จะหลงว่า ไอคนนี้เข้ามาหรื อ, อยังคนนี้ออกไปหรื อ, อยังแต่ถ้าตั้งสติเฝ้าอยู่ตรงจุดเดียวตรงจุดที่ประตูนั้นคนจะเข้ามากี่คนก็รู้คนจะออกไปกี่คนก็รู้ฉันใดาการดูลมก็แบบนั้นก็ให้ดูอยู่ตรงที่จุดที่ลมสัมผัสที่ชัดที่สุดแถวปลายจมูกหรือหรือเหนือบริเวณริมฝีปากขึ้นมาก็ให้รู้อยู่ตรงนั้น ไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องลมอย่างเดียวแล้วลมจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมจะหยา ก, กรู้ว่าลมหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดแม้กระทั่งลมรู้สึกว่าหายไปจากความรู้สึกก็ให้รู้ต่างความเป็นจริงไม่ต้องไปวิตกตกใจว่าไม่มีลมแล้วไม่มีลมหายใจแล้วแสดงว่าเราจะตายแล้วใช่ไหมอย่างนี้ถ้าไปคิดอย่างนี้ก็จะเกิดความวิตก ปล่ยความกลัวขึ้นมาแล้วก็จะไม่กล้าภาวนาต่อไปจิตก็จะไม่รวมลงสู่ความสงบแต่ถ้ารู้ไปตามความเป็นจริงของลมถึงแม้จะรู้สึกว่าไม่มีลมก็ไม่ต้องกลัวตราบใดมีผู้รู้อยู่มีสติอยู่แล้วไม่ตายแน่นอนผู้ที่ภาวนาอานาปนาสติมามีมากมายกายกองไม่มีใครตายสักคนจากการภาวนาอานาปนาสติ แต่คนที่กลัวนั้นต่างหาจะเป็นคนที่จะไม่สามารถรับผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอานาปนาสติได้แต่ถ้ากำหนดสติให้รู้ตามความเป็นจริงของลมจะอยากก็รู้ว่าหยาบจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดจะไม่มีลมเหลืออยู่เลยก็รู้ว่าไม่มีเหนืออยู่เลยถ้ารู้อยู่อย่างนั้นแล้วสักไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบเรียกว่าเป็นจิตรวมล ง, ล ง, ลงเป็นสมาธิ หรือจะเรียกว่าเป็นการรวมลงของจิตที่เรียกว่าคณิกะสมาธิก็ได้คือการรวมลงอยู่ชั่วขณะหนึ่งไม่เป็นไม่ไม่นานนะักแล้วก็ถอนออกมาหรือถ้ารวมลงแล้วอยู่เป็นเวลาอันยาวนานอย่างนั้นก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอใน อิเลยาบที่สี่ไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรกับร่างกายถ้ามมีสติและเลือกรู้อยู่กับการกระทำของร่างกายแล้วเวลามานั่งสมาธิโอกาสที่จิตจะสงบลงสู่ความสงบนั้นก็จะมีมากเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะเบาจิตก็จะว่างในขณะนั้นเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย เหลืออยู่แต่สักแต่วรู้เท่านั้นนี่คือธรรมชาติของจิตเวลาที่จิตสงบจะมีแต่สักแต่วรู้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตเลยและมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเ อ, อิบแต่สภาพของความสงบนี้ในเบื้องต้นก็คงจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้สักขณะหนึ่งก็จะถอนออกมา หรือบางท่านก็อาจจะอยู่ได้นานก็ขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีที่เคยได้สะสมมาก่อนในอดีตจะอยู่สั้นหรืออยู่นานก็ไม่สำคัญก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของหมันก็แล้วกันถ้าอยู่แป๊บเดียวแล้วถอนออกมาก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่นานแล้วถอนออกมาก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่จะได้รับขณะที่ถอนออกมาก็คือความอิ่มเอิบใจความเย็นใจ แล้วทีนี้พอจิตจะเริ่มคิดเริ่มปรุงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็ควรที่จะหันเข้ามาเอาจิตนี้มาจเจริญวิปัสสนาต่อคือเมื่อกี้นี้เราทาจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วรวมอยู่ตั้งอยู่ได้สักระยะหนึ่งเมื่อมันอิ่งตัวแล้วถอนออกมาทีนี้เราจะปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆ มันก็จะคิดไปตามภาษาเดิ ม, มก็จะคิดไปตามภาษากิเลสตัณหาเห็นอะไรก็อยากจะได้เห็นอะไรก็อยากจะมีถ้าถ้ารับไหวให้มันคิดอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปมีปัญหาคือจะต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆแล้วก็จะต้องไปทุกข์ไปกังวลไปเศร้าโศกเสียใจกับมันต่อไป ดังนั้นเวลาจิตเริ่มคิดอยากจะได้อะไรเราต้องใช้วิปัสสนาเข้ามาเป็นเครื่องสกัดคือต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่จิตอยากจะได้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นคือเป็นของไม่เทีย่ยงมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆ เ, เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข อาจจะเป็นความสุขในขณะที่ได้มาใหม่ๆแต่ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมากับสิ่งนั้นๆเป็นอนัตตาก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่อยู่ภายใต้การบังคับควบคุมของใครนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลต่าง เวลาเราเห็นคนเราอยากจะได้เราชอบคนนี้เราอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองเราไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เราชอบนี้สักวันหนึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปตอนนี้เขาหนุ่มเขาสาวแต่เดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นคนแก่คนชราไปเดี๋ยวจะต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยกลายเป็นคนที่เราจะต้องมาคอยดูแลรักษากลายเป็นภาระกลายเป็นคามทุกข์ไป สิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นในปัจจุบันเพราะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าอย่างรูปร่างหน้าตาของคนนี้กว่าจะเปลี่ยนไปได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่สิ่งที่มันแน่นอนก็คือมันจะต้องเปลี่ยนแน่ๆเพราะไม่มีใครจะอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปได้ตลอดซักวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็นคนแก่กลายเป็นคนตายไปในที่สุดนี่คือเป็นธรรมชาติของคนเราทั้งสิ้น ถ้าเรามีวิปัสสนาคือมีปัญญาคอยเตือนสติเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้นั้นมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมันเป็นกองทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขมันให้ความสุขกับเราชั่วประเดียวประดาวในลักษณะเหมือนกับยาขมเคลือบทัมแตนยาขมเคลือบท้ํต า, นาตานเวลาเราอมเข้าไปในปากใหม่ๆมันก็หวานดีแต่พอ น้ำตาลมันละลายหมดไปแล้วก็จะเหลือแต่ความผมของยาให้เราสัมผัสสิ่งต่างๆที่เราได้มาใหม่ๆก็เป็นเช่นนั้นเวลาได้อะไรใหม่ๆมันเหมือนกับเข้าใหม่ป่ามันอยู่ด้วยกันใหม่ๆนั้นรู้สึกว่าทุกอย่างนะั้นมันดีไปหมดมันมีแต่ความสุขแต่พออยู่กันไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็เกิดความชินชาเกิดความเบื่อหน่าย แล้วก็เกิดความอิจฉาราจัยตามมาทีหลังแล้วทีนี้ก็เกิดความทุกข์อยากจะไปหาของใหม่ๆแต่ก็ไปหาไม่ได้เพราะเมื่อมีแล้วก็มีของเก่าแล้วไปหาของใหม่เดี๋ยวก็มีปัญหาตามมาแต่ขนาดจะมีปัญหาบางคนก็ยังอุตส่าห์ลักลอบออกไปหาจนได้แล้วในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมากลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถึงกับทะเลาะ ว่ว่าถึงการทำลายชีวิตของกันและกันไปก็มีเป็นจำนวนมากเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความสุขเลยมันเป็นความทุกข์ที่ตามมาตามความสุขมาความสุขนี้มันจะมาตอนต้นเท่านั้นตอนที่ได้สัมผัสได้ได้ของมาใหม่ๆได้คนนี้มาใหม่ๆก็มีความสุขกับคนนี้แต่อยู่ไปนา น, านเข้าก็เกิดความชิน จ, จําเจเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา แล้วก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปถ้าเรามีปัญญาสอนเราอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเวลาเราเห็นอะไรถึงแม้จะเกิดความอยากความยินดีขึ้นมาก็จะสามารถระงับความอยากความยินดีเหล่านั้นได้ทำให้เราไม่ต้องไปหาสแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง ซู้ย้อนกลับเข้ามาสู่จิตของเราไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สงบกำหนดพุดโทโธพุโทโธไปภายในใจพอจิตสงบลงใจก็เบาใจก็สบายใจก็มีความสุข